เมื่อประมาณ30ปีก่อนมีนักดนตรีมีชื่อพอสมควรเรียกในวงการว่าเชิดสมัยบัฟเฟลสมัยบัฟ f a ล o นี่เป็นชื่อวงดนตรีนะที่เขาเป็นมือกลองสมัยบัฟ f a ลอนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ควายยิ้มหรือบางคนก็แปลว่ายิ้มสีไอควายชื่อแบบนี้เนี่ยมันโดนใจคนรุ่นใหม่ แล้วก็เมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยวงสมัยปัฟโฟโนี่ก็มีชื่อพอสมควรในหมู่วัยรุ่นที่ชอบเพลงแนวทางใหม่ๆก็เรียกเพลงแบบอัลเทอร์เนทีฟอันเช่ น, นีก็เรียกว่าเป็นที่รู้จักนะมีชื่อเสียงในหมู่คนรุ่นใหม่แล้วก็ในแบบวงดนตรี ก็ย่อมเป็นธรรมดานะที่จะได้รับคำชื่นชมสารเสริญมีเงินมีทองไหลามาใช้ชีวิตยอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเล่ายาวันนึงเนี่ยแม่เกิดป่วยหนักแ้วก็ดีนะอุตสาหาเวลาเนี่ยมาดูแลแม่ และหลังจากที่ได้ดูแลแม่ที่ป่วยหนักจนทั้งแม่สิ้นชีวิตเนี่ยก็ธรรมดานะย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้เห็นสัจธรรมความจริงนะสัจธรรมที่ว่าคือว่าคนเราไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ร่ำรวยเพียงใดตายแล้วก็เอาอะไรแปลไม่ได้สักอย่าง ว่าตาสว่างเลยนะเกิดความเข้าใจในชีวิตขึ้นมาทันทีบอกว่าเนี่ยคนรวยเนี่ยแม้จะมีสร้อยทองเยอะแยะแต่ถึงเวลาป่วยต้องถอนหมดเลยและไอที่ถอนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่กลับคืนหรือเปล่าถ้าเกิดตายก็เป็นของใครก็ไม่รู้ แกก็เลยได้คิดมาว่าเนี่ยเราจะหลงแสงสีเสียงไปเพื่ออะไรเพราะแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างพอได้คิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเลยนะจากที่เคยเพลิดเพลินหลงลัเลิงกับชีวิตที่นะมีชื่อเสียง เพลิ่เนกับความเริงรมแสงสีเสียงก็กลับมาใช้ชีวิตแบบที่เราติดดินกลับมาทำไร่ทำสวนก็อาจจะยังเล่นดนตรีอยู่บ้างในช่วงแรกนะแต่ว่ารู้แล้วว่าเนี่ยเงินทองชื่อเสียงหรือว่าความสุขที่มีเนี่ย จากการเป็นนักดนตรีเนี่ยมันเป็นของไม่ใช่แค่ชั่วคราวอย่างเดียวยังฉาบฉวยด้วยกลับมาที่บ้า น, นพนันนิคมชนบุรีแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้ที่ดินก็มีแค่สิบไร่นะแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยปลูกนี่เป็นเป็นหมื่นต้นแล้วปลูกนานาชนิดนะอจจะเป็นประดู่ นะสักทองพยุงนะไม้ที่มีค่าแล้วก็มีประโยชน์นะต่อสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อโลกให้ความสุขกายสุขใจก็เหนื่อยนะกับการปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วก็มีความสุขและตหลังเนี่ยก็ขยับขยายไปทาอย่างอื่นด้วย รวมทั้งการช่วยเหลือนะเด็กเยาวชนสอนดนตรีให้กับเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านรอบๆนะเด็กที่เขาไม่มีคนสนใจนะหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยพอได้มาเรียนดนตรีแล้วก็ก็มีความสุข สุขที่ได้เล่นดนตรสุขที่มีคนเห็นคุณค่าเนความสำคัญแล้วเขาไม่ได้สอนอย่างเดียวนะเขายังให้เงินนะเป็นทุนการศึกษาบ้างเด็กที่ยากจนที่อยู่รอบๆนี่เขาก็พยายามหาเงินมาช่วยทำให้เด็กก็ลืมตาอาปากได้มีทุนรอนเรียนหนังสือและต่หลังก็ช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วย คนป่วยคนแก่คนชราก็ไม่ได้มีเงินมากนะแต่ว่าเขาทำแล้วมีความสุขก็ขทำมามา 20- 30ปีแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าแลวมีความสุขฟังดูแล้วนี่เขาก็ไม่ได้โผยหาหรืออ ะ, อะไรชีวิตที่เคยดังฟู่ฟ้านะ ชีวิตตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าพุ่งนะขาขึ้นสุดๆทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองอาจจะรวมถึงผู้หญิงนะคนจะไม่น้อยเนี่ยพอผ่านช่วงชีวิตอย่างนั้นไปอาจจะเป็นเพราะแก่ชาราหรือเพราะว่าอายุมากหรือเพราะว่าแนวทางดนตรีนะ มันไม่เป็นที่นิยมของคนอีกต่อไปก็เป็นธรรมดานะของดาราของนักร้องเนี่ยพออายุมากเนี่ยนะชื่ิมันก็เข้าสู่ขาลงหลายคนก็หวยหานะความสุขความเด่นดังชื่อเสียงสมัยที่ยังหลู่หลาผู้ฟ้ายังอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ พอห้อยหาความสุขอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์กับชีวิตที่เป็นอยู่บางคนทําใจไม่ได้ก็เข้าหาเล่าเข้าหายาเพื่อกรอบทุกข์หรือเพื่อให้หลงลืมนะความสุขที่เรียกว่าเคยเคยมีวันหวานหวา น, ว น, วนชื่นแต่ดูจากเช่ดเนี่ยสมัยบัาโลเนี่ยเขาไม่ได้โหยหาหรืออะไรชีวิตเมื่อยี่สิบกว่ปีก่อนเลย เมื่อสาปีก่อนเพราะอะไนะเพราะว่าก็มีความสุขที่ดีกว่ามาแทนที่ในความสุขที่เขาเคยมีเนี่ยมันมันทุกมาสู้ความสุขที่เขามีตอนนี้ไม่ได้นะความสุขจากการที่ได้อยู่กับธรรมกายธรรมชาติได้ปลูกต้นไม้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากตั้งแต่เด็กเยาวชนไปถึงคนเฒ่าคนแก่ คนเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่สูงแค่ไหนในสุดยังก็ต้องนะเรียกว่าตกสวรรค์หรือว่าลอดลงนะสู่พื้นดินหลายคนทําใจไม่ได้ก็เหมือเครื่องบินที่มันตกกระแทกพื้นแต่บางคนเขาทําใจได้นะเขามีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่ารองรับก็กลายเป็นว่าไม่ได้ตกมานะแต่ว่ากลับสูงขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะสำหรับคนที่ชีวิตนี่กำลังรุง่งถ้าเราลึกส้งหน่อยว่านะชีวิตนี่ต่อไปมันก็จะต้องตกต่ำหรือว่าเข้าสู่ขาลงถ้ามีอะไรรองรับรองรับที่ว่านี่ไม่ใช่แค่วิถีชีวิตหรืออาชีพแต่รวมถึงความสุขความสุขที่ดีกว่ารองรับนี่นะมันจะมมีความอาลัยใน ความสุขที่ผ่านมาและนี่ก็เรียกว่าเป็นผลจากการที่เขาได้เห็นสัจธรรมนะสัจธรรมที่ว่านี่เกิดขึ้นจากการที่แม่นิสเสชีวิตการที่แม่หรือบุพการีเสชชีวิตนี่มันก็เป็นเรื่องที่เดือดร้ายที่สุดนะในชีวิตของคนคนหนึ่งนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นสัจธรรมความจรงิง ได้เรู้ที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับศัจธรรมความจริงนั้นศัจธรรมที่ว่าคือว่าตายไปแล้วก you like. ็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของหลวงปู่เสานะก่อนช่วงหนึ่งเนี่ยท่านบว่าในสิพันศาท่านก็อยากจะศึกเตรียมแล้วจะเป็นพ่อเป็นพ่อค้าเข้าของเตรียมไม่หมดแล้วจะไปขายเมื่อศึกหาร่าเพล่เรือที่จะใช้ในการเอาสินค้าไปขายก็พร้อมแล้ว รอแต่ว่าจะสึกเมื่อไหร่แต่เมืเอแม่ป่วยแม่ตายนะแม่ตายโดนแม่เสียชีวิตพอไปงานสมนี้ก็ได้ได้สตินะได้คิดเลยนะว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้และที่เราคิดจะสึกไปเพื่อที่จะไปเป็นพ่อค้าหาเงินหาทองจะมีประโยชน์อะไรเปลี่ยนใจเลยไม่สึก ของที่เก็บสะสมมาเพื่อที่อาไปขายหลังจากสืขหาหลาเพศแล้วก็แจงหมดเรือที่เตียมไว้แล้วจะไปขึ้นล่องแม่น้ำเพื่อค้าขายก็ให้คนอื่นไปด้วยสุดท้ายท่านก็ได้ครองเพศบรรพชิตนจงกระทั่งมรณะภาพเราก็สร้างรูปสิล์ลูกหามากมายรวมทั้งหลวงปู่ ม, มั่นหลวงปู่สิงหนะ์ให้ความตายของคนที่เราล้างเนี่ยนะ อย่าทำให้มันเป็นเรื่องที่เร็ว้า่ไปเสียหมดนะถ้าเอาแต่ทุกข์เพราะสูญเสียคนรักสูญเสียบุปการีแต่ไม่ได้อะไรเลยนี่เรียกว่าทุกข์ฟรีๆอย่างน้อยต้องได้บางเพื่อให้ความความตายของท่านเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายมีคุณค่ามีความหมายต่อผู้เที่ยงอยู่คือได้คิดได้เห็นสัจธรรมแล้วก็เกิดกำลังใจในการทาความดีสร้างบุญสร้างกุศล